ทศพลยานยานที่สสัพพัทธคามินีปฏิปทายานปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงยานข้อนี้หมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงรู้แจ้งอนาคตของสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อทำกรรมอย่างนี้มีวิบากเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปภายหน้าจะต้องได้รับผลอย่างไรและเมื่อตายไปแล้ว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 เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขายอมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยาเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขายอมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เปรียบเหมือนประสาท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 และในอภินยาหรือญาณพิเศษเหล่านี้ในพระอริยบุคคลนั้นก็จะมีความพรานีทมั่นคงเป็นโลกุตระอภินยาซึ่งจะต่างกับที่เกิดในคนทั่วไปที่เสื่อมได้แล้วรู้เห็นไม่พระนิเท่าอันเป็นโลกิยะอภิญญาจะเห็นได้ว่าพราหมณ์สมัยก่อนนั้นก็ทำสมาธิขั้นสูงแล้วรู้เห็นชาติก่อนได้เช่นกันแต่ญาณ น, นั้นก็เสื่อมได้แล้วรู้ได้ไม่เห็นถี่ท่วน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 โรคสวรรค์มีจริงคนที่ทำบุญหรือทำบาปตายไปแล้วจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่กล่าวไว้ในคำพีจริงผู้สอนส่วนมากไม่ค่อยมีความแน่ใจว่าจะมีผลเหมือนอย่างที่กล่าวไวในคำพีเพราะถ้าหากผู้สอนแน่ใจหรือเข้าใจอย่างจำแจ้งจริงๆว่าการบริจาคทานหรือการเสียสละจะเป็นเหตุทำให้ร่ารวย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 คงจะเป็นคติเตือนใจสำหรับนักสอนต่างๆได้อย่างดียิ่งพูดสั้นๆก็คือถ้าตนเองไม่แน่ใจในผลของงานที่จะต้องปฏิบัติก็ไม่ควรที่จะสอนใครเพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่ค่อยได้ผลเสียเวลาเปล่ า, ลาส่วนผู้ที่มองเห็นอนาคตของงานได้อย่างแจ่มแจ้งนั้นย่อมจะมีกำลังใจทำงานได้อย่างเต็มที่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 นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปริชาญาณอย่างรู้ถึงทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงเพื่อให้ความหมายของญาณข้อนี้เป็นที่จำแจ้งยิ่งขึ้นท่านควรจะได้อ่านข้อความบางตอนในมหาสีหนาฏสูตรซึ่งเป็นถ้อยคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองดังต่อไปนี้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 ทข้ ถ, ถึงล้วซึ่งอบายทุคติวินิบาตนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพยาจักสุอันบริสุทธ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์ดูก่อนสาวรีบุรเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงเลือกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยทานเพลิงปราศจากเปเลวปราศจากควันลำดับนั้น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 หรือคาดคณีอย่างเดียวแต่ยังได้ติดตามดูผลต่อมาอีกว่าได้เป็นจริงอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่และสำหรับผู้ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์มามากก็ย่อมจะอย่างรู้ได้รวดเร็วเพียงแต่สนทนาหรือซักถามเพียงไม่กี่คำก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวของคนคนนั้นได้ตลอดพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้